มันมารุมมาตุ้มถ้าไม่ไปหรือก็อยังไงถ้าไปหรือก็อยังไงเอออย่างนี้ล ะ, ะลงมาที่นี่คงวันพรุ่งนี้วันมะเรือนนี้ก็มีอีกแล้วก็จะต้องรีบกลับไปเพื่อประชุมูมนิธิที่เตรียมพร้อมเอาไว้เอ่อแต่วันที่ห้า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 ต่อนี่ไปเป็นการจะได้ฟังพระธรรมเทศนาหลวงพ่อเองจะได้กล่าวสัมโมทนาในงานที่จะทอดกระถินวันพรุ่งนี้การทอดกระถินในคราวนี้ครั้งนี้เป็นานการทอดกระถินเป็นปฐมฤกิกคือเป็นครั้งแรกของวัดโยมเท่าแก่หรือโยมครอ บ, อบครัว ของคุณโยมได้ถวายที่ดินแปลงนี้ไว้ในพระพุทธศาสนาเป็นทั้งหกไร่ท่าราคาแล้วก็มากโขอพอสมควรอยู่แล้วก็หลวงพ่อเองในฐานะพระสงฆ์หรือว่าเป็นประธานสงฆ์ที่นั่งอยู่ณสัถานที่แห่งนี้หลวงพ่อก็อนุโมทนาในน้ำใจของเจ้าภาพอนุโมทนาน้ำใจ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 พี่น้องประชาชนคนอื่นน่แปลว่าเข้าทำไม่ได้เพราะบพระเจ้าแผ่นดินทำกำแพงล้อมรอบเอาไว้แต่นี้น้องชายต่างบารรดาของพระพุทธเจ้าเห็นเอเราจะทำอย่างไรจึงจะได้ปฏิบัติจะจะได้ปฏิบัตพิพระเจ้าพี่พระพุทธเจ้าเราจะได้ทาบุญนะถ้าทำอย่างนี้พ่อของเรานี่ยทำบุญมีแต่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 ให้พวกเขากินเนี่ยแต่เขาก็ไม่ทานอาหารกินอาหารของถวายพระพุทธเจ้าถวายสงฆ์เท่นี่แต่ทั้งนี้กัได้มาเขากเกณฑ ก, ก่อนแบบไม่รู้จักบาปบุญคุณโทษอย่างนั้นน่ะแต่คุนครังคุณครังได้ก็ให้เงินตามตามที่ได้สั่งเอาไว้ชื่อตรงไม่มีการบิดเพลิ้ยในการจ่ายเงินเพราะในสุดพอสามเดือน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 ขณะนี้เพียงพอแล้วควรจะให้กับชาวโลกต่อไปในพระบิดาก็เลยยืดยุน่นจากนั้นก็นพระพุทธองค์ก็ได้ประกาศพระพุทธศาสนาต่อไปทตนี้เลยเรื่องเลยเรื่องของพระเจ้าเท่าเจ้าฟ้ า, าชายสามท่านพอตายจากเช่ น, นั้นท่านก็ไปสู่สวรรค์เพราะอา น, นิสงส์การทําบุญทําทานของท่านขุนครังก็ไปสู่สวรรค์แต่พวกบริวารทั้งหลายที่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 จึงจะพ้นจากการเป็นเปลดพราะพระพุทธเจ้าองค์นั้นก็บอกว่าเออให้ไปถามองค์ต่อไปนะพระพระพุทธเจ้าจะเกิดอุบัติขึ้นในโลกเป็นระยะระยะองค์ต่อไปค่อยถามทถอนะเนอพอถามขึ้นมาอีกองค์ที่สองถามเ อ, เอกนานเท่าไรน้อข้าพเจ้าจึงจะพ้นจากการเป็นเปลดิดเออให้ถามองค์ต่อไปเนอะจนมาถึงพระพุทธเจ้ากากุสันโธในพัทธกัปนี้มีพระพุทธเจ้า5้าพระองค์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 แขวนหน้าตรงบ้างหน้าตางบ้างทำอะไรให้เห็นดูดูดแลเหมือนกับ เ, เป็นเปลยเห็นให้เห็นพระเจ้าพิมพิสารนอนไม่หลับทั้งคืนเลยทะนี้พอเห็นเปรยนะ เ, เห็นเปลตนอนไม่หลับทั้งคืนพวกในเช้ามาแต่เช้าเนี่ยมากราบพระพุทธเจ้าพระองค์ถามว่ามหาบาพิษเป็นไงบรรทมสลับพักพักหลับดีอยู่เหรอ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 ได้พบพระพุทธศาสนาได้พบพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าเพราะพระพองค์สอนว่ายังไงพระพทองค์บอกว่าตายแล้วไม่สูญนะตายแล้วเกิดอีกนรกสวรรค์มีจริงบาบปุญคุณโทษมีจริงที่พระพุทธเจ้าท่านกคงจะสงสัยอย่างพวกเราท่านทั้งหลายสงสัยนี่ยนะตายแล้วไปไหนหายเงียบไปแต่โคตรยุคนั้นสมัยนั้นเขาก็สงสัยไม่แพ้พวกเราเหมือนกัน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 พระโมคขาลาเป็นอัครสาวกข้างซ้ายเลิก่กว่าพิสูจน์ทั้งหลายเป็นผู้มีฤทธิ์มากแต่ผลที่สุดพระโมคขาลาโดนฆ่าที่เมืองกาละศีลากรุงเขตขแขวงกรุงราชจะคือประชาชนทั้งหลายเขากระจดขานเขาทาไมพระโมคคลาคนดีจริงๆทําไมถึงถูกโจมค่าไม่น่าจะเป็นอย่างนี้และเป็นผู้มีฤทธิ์มีเดชอีกต่างหากพระองค์บอกว่ากรรมกรรม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 กรรมชั่วอะไรให้ผลทุกภพทุกชาติมาจนถึงชาติสุดท้ายคือชาติที่ท่านเป็นพระอาหารหันต์แล้วท่านก็ยังถูกโดนฆ่าอีกแต่ว่าชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายของท่านแล้วกรรมคงตามไม่ถึงแล้วท่าเพราะท่านเข้าสู่นิพพานแล้วเป็นมิติหนึ่งกรรมท่านก็เหมือนกับหมาหรืออะไรตามหาไม่เจออะไรท่าเพราะว่าท่านขึ้นไปยานอวกาศหายไปแล้ว นี่แหละอันนี้คือพระพระองค์ท่านตรัสว่ากรรมชั่วจะทําเฉลยดีกว่าเพราะกรรมชั่วทับลงไปแล้วจะให้ผลนี่แหละอันนี้คือจุตูปปตาตญาติการจุดติของสรรพสัตว์หรือว่าการจุดติของวิญญาณพวกเราท่านทั้งหลายมีที่ไปที่มาเพราะฉะนั้นขอให้พวกเราอยากจะรู้ว่าจะทํำยังไงจึงจะรู้ได้ว่า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 ท่านก็ยึดตามแนวแถวที่หลวงพ่อได้พูดได้กล่าวคือนั่งให้ใหนั่งสมาธิขาขวาทับขาซ้ายเสร็จแล้วให้กําหนดแต่หลวงปู่สาหลวงปู่มั่นท่านให้ภาวนาพุทโธนะคณับนักศ า, า ญ, ญาติโยมลูกหลานนะแต่พระพุทธเจ้าท่านเพียงแต่กําหนดลมหายใจเข้ารู้ว่าหายใจเข้าหายใจออกรู้ว่าใจหายใจออกแต่หลวงปู่มั่นท่านบอกว่าให้บริกรรมสามทัพกับพุทหายใจเข้าพุทหายใจออกโธพุท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 อยู่กับตัวมันนึกคิดน่ยมันนึกคิดจนให้สำทับอยู่ตัวที่มันนึกคิดให้พุทโทนึกคิดเอออันนี้ก็คืออันหนึง่งแล้วก็พุทโทร้อมพร้อมกับลมหายใจเข้าออกแต่ลบงพ่อแนะนํนวาว่าให้นับดูหน้านะหายใจเข้านับหนึ่งหายใจออกนับ2องสสี่จนถึงร้อยเออมันจะเผลอมันจะเบะเอเบอร์เบอร์เสร็จแล้วนะหายใจเข้าเนี่ยเป็นเลขคี่หายใจออกเป็นเลขคู่หนึ่งสสามสี่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 เน่ยปลอดภัยแล้วก็หายใจเข้าพุทธหายใจออกโทพุทโทพุทโทพุทธโทเนะี่ยจากนั้นใจของเราจะเข้าสู่ความสงบพอใจสงบเป็นพื้นฐานแล้วจะให้ศึกษาเรื่องวิปัสสนาต่อเองจะทํายังไงพิจารณายังไงจึงจะเห็นอนิจจังทุกขั ง, งอนัตตาเกิดแก่เจ็บตาย น, ะนี่แหละเราคอยศึกษาไปเรื่อยๆพราอหลักของพุทธศาสนาไม่ใช่อยู่จุบ